ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังเท่าไหร่ตาลงประภูติยานได้นำเสนอบารมีมาต่างําดับวันนี้จะได้พูดถึงอุเบกขาบารมีซึ่งถือว่าเมื่อเรียงลำดับอย่างนี้อุเบกขาบารมีก็อยู่ข้อสุดท้ายอุเบกขาเป็นธรรมะที่ปรากฏอยู่ในที่ต่างๆเป็นนั้นมาก คือถ้าเราเรียงตามลำดับความเข้มข้นแล้วจะมีถึงสิบระดับด้วยกันแต่ทั้งหมดก็คงเป็นเบคานั่นเองการปรากฏตัวในที่ต่างๆเป็นเน้นย้ำไม่เห็นถึงความเข้มข้นของเบคาทั้นก็จะมีคำอื่นเติมเข้ามาตํานองใกล้ๆกับปัญญาที่ บางครั้งก็แปลว่าทิฐิและเพื่อเห็นว่าเป็นทิฏฐิที่ชอบหรือไม่ชอบท่านก็ใส่มิชฉาทิฏฐิก็ไปสมะทิฏฐิก็ไปหรือบางครั้งก็ต้องการแสดงความเข้มข้นระดับสูงขึ้นไปกว่านั้นท่านก็ใช้กำวมาสมัปปัญญาเพรทั้งหมดก็ที่จริงก็คือเรื่องปัญญาทั้งหมดอุเบกขาที่จริงมีลักษณะของปัญญา แต่ว่าเป็นปัญญาอยูดในระดับของการเพ่งพินิจและทําจิตใจให้ถูกต้องเหมาะสมแก่กรณีด้านั้นอย่างที่เคยยกตัวอย่างอุเบกขาในพรมพิหารก็เป็นการใช้ตามเหมาะควรแก่กรณีของกลุ่มบุคคลหรือแม้แต่ส่วนประเจ ก, กชน เพราะว่าเมตตาพรหมีหันนั้นจะใช้แก่คนทั้งหลายก็เรียกว่ามีสัตว์ทั่วไปเป็นอารมณ์ปรารถนาที่จะเห็นคนและสัตว์เหล่านั้นอยู่ร่วมกันโดยไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีอันตรายไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษรายกันแต่และชีวิตก็ให้อยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่สถานะของตนในกรณีควนขวายทําด้วยกายทำสามารถควนขวายด้วยวาจาก็พูด แต่บางครั้งก็ไม่มีโอกาสจะแสดงอย่างนั้นก็สร้างความรู้สึกภายในจิตผลดีงามเกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุดก็คือว่าถ้าความมีเวรมีภัยมีอันตรายเกิดขึ้นกั บ, บุคคลอื่นก็ไม่เกิดขึ้นจากเราแต่เราเองก็ไม่ได้ทำบาปหรือเจริญเมตตาปรมิหารอยู่เมตตาพรมิหารจึงเหมือนกับ ความรู้สึกของพ่อแม่ที่มีต่อลูกเมื่อรู้ว่าลูกบัได้บังเกิดขึ้นในคันปรารถนาสิ่งดีงามต่า ง, างๆให้เกิดขึ้นแก่โลกของตนอุเบกคารุณาจึงเหมือนกับความรู้สึกของพ่อแม่ที่ลูกเกิดมาแล้วปรากฏว่าไม่เป็นดามที่ตนต้องการเช่นเกิดมาพิการบุบพร่องไปในส่วนยได้ส่วนหนึน่ง พอแม่ก็จะเกิดความสงสารต่อลูกทุ่มเทชีวิตจิตใจของตัวเองลงไปเพื่อลูกคนนั้นวันก่อนได้ดูรายงานข่าวถึงฝรั่งคนหนึ่งที่แกเป็นอัจฉริยะมากคือเรื่องทั้งหมดเก็บจำได้หมดเลยหนังสือนี่อ่านเป็นหมื่นๆเล่มเร่อจจำได้หมดด้วยแล้วใครไปถามนี่แกบอกมาเป็นอาฆยานเลย แต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันอาการสติสัมปชัญญะอะไรต่ไหก็ไม่ค่อยสมบูรณ์พ่อเนี่ยเหมือนกับเงาของลูกดูแลลูกจนโตยังนึกว่าฝลังคนนี้อายุก็คงจะสี่สิบกว่าแล้วพ่อก็คงหกเจ็ดสิบแล้วแต่ว่าก็ทั้งคู่ก็เกี่ยวแขนกันไปไหนมาไหนด้วยกัน ลูกมันไม่ใช่ปัญญาอ่อนแต่อัจฉริยะเกินมนุษย์มน่าไปคือมีอะไรที่ผ่านมาทางประสาสมัาก่จํุติเพียงแต่ว่าไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้ในหลายๆเรื่องแต่แม่ก็เกิดการุณาการุณาจนแสดงออกมาเป็นคู่ที่มีความบริสุทธิ์ใจต่อกันคือพ่อนั้น ก็เรียกว่าทุกชีวิตให้แก่ลูกไปเลยนี่ก็คือลักษณะของการุณาจะดตับไปที่ความทุกข์ยังไม่ถูกกระจัดไปเนี่ยความกรุณาก็ต้องมีจุแต่ว่ามุติตานั้นเหมือนความรู้สึกของพ่อแม่ที่มีต่อลูกซึ่งเนว่าหายป่วยเกิดมาสมบูรณ์พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างจบการศึกษาทำงานเป็นหลักเป็นฐานมีสถานะมั่นคง หรือว่าทำลาบด์ดลสงเสริญสุขต่อแม่ไม่ได้ต้องการอะไรหรอกแต่รู้สึกเป็นสุขที่ได้เห็นลูกมีความเจริญก้าวหน้าเช่นนั้นก็จะเกิดอาการทวเรียกว่ามุทิตาแต่ว่าถึงปัญหาบางอย่างนี่มันนอกวิสัยจะทำอะไรไม่ได้ถ้าคืนทำไปแล้วก็ผิดผิดธรรมะด้วยหรืออาจจะผิดกฎหมายด้วยนะ จะยกตัวอย่างว่าคนเขาเดินเหินแข็งแรงเรียบร้อยดีปกติเนี่ยแล้วก็เข้าไปประคองเขาที่ทํมไประคองทำอะไรอนันี้เ็เรียกว่าปฏิบัติธรรมะไม่ถูกต้องไม่ดูกาลเทศะแล้วอาจจะถูกต่อว่าเอาหรืออาจจะถูกโกรธเอาก็ได้ หรือว่าบางการณีคนที่เรารักนี่แหละแต่ไปฆ่าคนตายเราก็เห็นตรงๆถูกตำรวจจับหรือแม้บางครีพอตำรวจจับแกก็ยิงต่อสู้กับตำรวจแล้วก็ถูกตำรวจวิสามันฆาตกรรมเราก็ไม่รู้จะทำยังไงนะพอทำใจเป็นกลางๆคือวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจ ในยามที่ลูกซึ่งเรารักประสบความผิดบติแต่ถามว่าทำไมจึงพูดเรื่องไม่ดีใจไปด้วยก็เพราะว่าคือตาคนที่ถูกตารวจวิสามันฆาตกรรมแม้แกจะทำความผิดความชั่วความผิดกระานแต่ถ้าเรามีความรู้สึกไม่ชอบเขามาก่อนเนี่ยเราจะดีใจนะตะาั้นเวลาพูดเนี่ยท่านจะพูดถึงไม่ดีใจไม่เสียใจกับพวคูก่กันไป ทีนี้ถามว่าเวขาบารมีเนี่ยมีลักษณะอย่างไงท่านบอกว่ามีความเป็นไปในอาการเป็นกลางบางทีท่านเรียวกว่ามัทธยัติเป็นกลางไม่ใช่ธรรมดานะคือาการทำใจเป็นกลางหรือบุคคลฝ่ายเป็นกลางเนี่ยอย่างที่เราพูดกันในสังคมไทยไอ้กลางจริงหายาก เพราะไระสังคมไทยเป็นสังคมอุปธรรมเป็นสังคมที่ดุเงเหนจะไม่แบ่งแยกแต่ก็มีความแบ่งแยกแบ่งแยกจากหน่วยย่อยไปจนถึงหน่วยใหญ่นะซึ่แบ่งแยกเป็นจากหน่วยอะไรละ่ะตั้งแต่ครอบครัวหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดภาค แล้วภาคก็ในภาคเองไปอย่างใกล้ชิดน่ะอีสานกลางอีสานใต้อีสานเหนืออภาคกลางเหนือตอนบนภาคกลางเออภาคเหนือตอนใต้ภาคใต้ตอนบนภาคใต้ตอนล่างเอ้ยอยางแบ่งแยกเยอะเลยมันมีความทุจริตตรงนี้เราจะให้เป็นกลางนี่ได้ยากแม้จะมีอวบธยวิธีต่างๆเพื่อจะปรับสภาพจิตใจของบุคคลให้อยู่เป็นกลางเนี่ยก็ทำได้ยาก เพราะฉะนั้นจึงมีอุบายวิธีต่างๆเช่นการตัดสินอริกดีโรืการสวดข้อสอบการสวดผลงานการประกวดอะไรต่างๆเนี่ยคือตปาปกติแล้วมันต้องไม่มีสัญญาณอะไรให้รู้ว่าเป็นของใครหรือว่าใครเป็นคนทาเพื่อจะสามารถตัดสินวินิจฉัยลงไปได้ อย่างเป็นธรรมยุติธรรมแล้วก็เชียงธรรมนั่นก็คือลักษณะการทำใจเป็นกลางมันต้องแบ่งแยกความเป็นเราเป็นเขาออกไปเจ่ ก, การตัดสินใจเรื่องอื่นที่จริงเราตัดสินใจไม่ค่อยยากหรอกเซนสมมติว่าประกวดทาอาหารกันแล้วก็ให้เราชิมดูว่าของใครอร่อยมากกว่ากัน ที่จริงก็หาข้อยุติไม่ได้นะกำลังเนื้อชอบพลังยาแล้วก็ความคุ้นเคยของคนเนี่ยยังไงก็ไม่เหมือนกันเช่นสมมติว่าอาหารที่ขอคนภาคหนึ่งแต่คนภาคหนึ่งมาชินอย่างเงี้ยมันก็จะไม่รู้สึกอร่อยจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างยากคือแยกได้จริงๆเนี่ยค่อนข้างยากก็ยิ่งแต่พทําได้พกข้อสอบพวกอะไรเนี่ยฝีมือผล ง, งานต่างๆ โดยอฉพาะพวข้อสอบไม่มีเกณฑ์ที้ผิดชี้ถุกแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทําแต่พอเรา ม, มีเกณฑ์นในการวัดเนี่ยเราจึงชี้ได้ว่าถูกหรือผิดแต่ว่าการมีของความเห็นสมมดว่าต้องการใารแสดงความเห็นเราก็ไปเที่ยวเคียงกับหลักอีกนั่นแหละฟังได้ไม้มถ้าฟังได้ก็ถือว่าใช้ได้ก็ต้องไม่ยึดติดในรูปแบบมากเกินไป ลักษณะเป็นกลางเนี่ยเจ้าหมายความว่ามันจะต้องทำความเข้าใจในตัวเนื้อหาของอุเบกขาที่ท่านกบแน่แสดงไว้ในที่ต่างๆอีกอย่างหนึ่งข้อแรกเนี่ยบาลีท่านเรียกว่าฉลังคูเบกขาฉลังคูเบกขาคุเบกข า, าที่ประกอบด้วยองค์หก ได้แก่วางใจเป็นกลางไม่มีความรักความชังหรือไม่ยินดียินร้ายเวลาไปกระทบกับอารมณ์ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสคือได้เห็นรูปด้วยตาได้ฟังเสียงด้วยหูได้สูดดมกลิ่นด้วยจมูกไ ล, ล้ริมริ้ด้วยลิ้นได้กระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งด้วยกายเนะี่ยไม่รู้สึกพอใจหรือว่าไม่พอใจที่เรียกว่าไม่ยินดียินร้าย ทีนี้ในงแง่ของความเป็นสามัญชนเนี่ยคือบางครั้งบางคราวมักจะอ่อนไหวไปกับอารมณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราอยู่ในโลกยุคของโลกโลกาภิวัตน์มันสือทั้งหลายนั้นมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์โน้มน้าจิตใจกันสารพัดวิธีการทำโฆษณามันกลายเป็นศาสตร์แล้วก็เป็นสินที่มีการศึกษามีการติดตามมีการทดสอบทดลองกันสารพัด ปัญหาสำคัญว่าเราเองเนี่ยเราไม่ได้เสี่ยมตัวที่จะทับสื่อแต่พวกที่มาสื่อสารกับเราเนี่ยเขาเตรียมตัวมาเพราะเขนเขารู้เบื้องหน้าเบื้องหลังของเรานะกรับาพันนองใกล้ๆกับที่สุนบูร์เขาว่าเนี่ยเขาพูดถึงตมาวิชัยสงครามแต่เราอย่าลืมนะฮะที่จริงโดยกรอบโดวโครงสร้างแล้วไม่ใช้ไปทำอะไรก็ได้ เขาเรียกว่าถ้าไม่รู้เขาไม่รู้เรารบกี่ครั้งก็แพ้แต่รู้เรารู้เขารบกี่ครั้งก็ชนะแต่รู้เราแต่ไม่รู้เขาไม่รู้เขาแต่ไม่รู้เรานี่เสียเพราะงั้นเราอยู่ในสังคมในยุคที่เรียกว่าเราไม่รู้เขาแต่เขารู้เราแล้วเรากรักษารจากเขาโดยไม่ได้ศึกษาเทียบเคียงอะไรความเป็นมาอะไร ยกตัวอย่างในกรณีของข่าวเรื่องเปรตเปรตอะไรที่วันกะ่อนนะนะก็ค่อนข้างจะยืดเยื้อพอสมควรมาเองก็นักข่าวมาก็คุยด้วยตั้งสองสาครั้งแล้วก็พยายามรู้สึกว่านักข่าวเนี่ยเขาพยายามที่จะลาาใครต่อใครซึ่งมีส่วนร่วมเนี่ยคือส่วนในพวกเอนไม่ใช่ส่วนร่วม มาให้กลายเป็นคนผิดไปด้วยบอกมันไม่ใช่อย่างนั้นนะหรือคุณจะต้องมองให้เข้าใจว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยสนใจใครเรียนใครรู้ใครศึกษาคนควา้าคือเปรตมันมีจริงแล้วพื้นฐานความเชื่อในคติของไทยเนี่ยทุกคนก็เชื่อเรื่องเปรตแล้วก็มีตำนานเรื่องเปรตได้รู้กันมาด้วยกันทั้งนั้นวนถ้าใครแสดงให้เห็นแล้วก็โดยอาศัยรูปแบบของพระด้วย แล้วก็แสดงให้เห็นโดยวิธีที่มันแผ่ไปจากเรื่องซึ่งตึงจนเคยพบเห็นด้วยแล้วก็มีการปรุงแต่งสร้างสีสันขึ้นมาสาาพัพพแเดล้อมอะไรต่างๆเนี่ยโอกาสที่เขาจะเชื่อเนี่ยมันก็มีอยู่เพราะอะไรเพราะว่าคนเหล่านี้เขามีพื้นฐานความศรัทธาในคนที่แสดงแล้วก็มีความกลัว คือใครก็ตามที่เรามีศรัทธาเนี่ยให้ลองสังเกตว่าคนที่เรารักก็ได้เอะคนที่เรารักไม่ว่าใครอะไม่แต่ ร, รักลูกรักหลานรักเมียรักภกรามีรักพ่อรักแม่เราจะมีความกลัวลึกๆ อ, อย่างนั้นกลัวก็จะเสียใจกลัวก็จะไม่พอใจกลัวก็จะไม่สบายใจเดี๋ยวทําไม่จาเป็นแล้วก็ไม่ขัดคอกันหรอกเรื่องตัเนี้คนเหล่านั้นจึงเป็นคนที่ควรแก่การเห็นใจแล้วก็เข้าใจ แต่ถ้าก็ามีส่วนร่วมในการไปหลอกลวงไปต้มตุนคนมาก็อีกเรื่องหนึ่ ง, งนะฮะเพราะงั้นตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าเราไม่สามารถทําใจเป็นอุเบกขาได้เพราะไม่อุเบกขามันก็แยกไม่ออกแยกไม่ออกว่าใครควรจะผิดหรือใครควรจะถูกแม้แต่เรื่องใหญ่ๆนะะเช่นเรื่องยาเสพติดเนี่ยเราอย่าลืมประยาเสพติดไปนนันมากแต่ยุคสมัยหนึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะะ เช่นสมมุติว่ากระทอมเนี่ยคนก็กินเงินปกติกัญชาเนี่ยคนก็เอาไปแกงกันโดยทรรไปนะแกงไก่ใส่กะทิก็แกงเงินนะเป็นอะนแต่ไรพกฎหมายมันออกขึ้นมาก็คือผิดผิดก็คือผิดแต่ว่าผู้เสพเนี่ยเราก็คือคนป่วยเพราะถ้าเราแยกให้ออกว่าคนเสพไม่ใช่คนเลวนะแต่บางคนคนโง่แต่นั่นเอง เป็นคนโง่เป็นคนโลภแบบงงโง่เพราะงั้นเราก็ต้องออกมาสั่งสอนมาบำบัดมารักษาแล้วแยกคนออกมาจากคนเลวได้คนผิดคนจำหมาจากแจกทั้งหลายนั้นเป็นคนเลวแน่นอนแต่คนเสพนี่ผู้เยาวผู้เผลาผู้อ่อนด้อยเราก็สามารถที่จะเยียวยารักษาคนเหล่านั้นได้แต่ทีนี้พอใจมันไม่เป็นกลาง คือไม่ได้กลางนี่คือเบกขานี่เแปลวเพ่งดูแยกแยะเพ่งดูไม่ใช่ว่าิดชี้ไปเลยชี้ผิดชี้ถูกไปเลยไม่ใชะไม่ไม่ถึงได้ยางงั้นแต่ว่าเพ่งดูตามความจริงมันประหันริงมันเป็นยังไงตัวนี้ควรจะปรับท่าทียังไงแล้วก็ทําใจเป็นกลางไม่ยินดียินร้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในอารมณ์ที่เราสัมสัมผัสนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ย คือเราสัมผัสรูปเสียงกินรสปรดพระแล้วก็ธรรมอารมณ์อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจตามปกติแล้วก็มักจะยินดียินได้ถ้ายินดียินได้แล้วเนี่ยมันไม่ได้หยุดตรงนั้นมันก็อาจจะเป็นพลังผลักดันให้ไปทาชั่วทำผิดเพื่อทำลายสิ่งที่เรายินดยหรือเพื่อคอยคว้าปรารถนาเข้าครอบครองสิ่งที่เรายินดี ซึ่งถ้าอยู่ในกรอบของความถูกต้องระดับศีลธรรมัญยามันก็ไม่มีปัญหาเลยเหรอกแต่ถ้าสถานภาพของเรานะเช่นสมมติว่าเราเป็นพระอย่างเงี้ยมันเกิดความยินดีในอะไรในวัตถุสิ่งของทรัพย์สินเงินทองหรือแม้แต่ตัวคนอะไรก็ตามนะมันก็กลายเป็นความไม่เหมาะไม่ควร เพราะว่าพระเนี่ยแม้แต่จะเพียงมองสิ่งของอะไรก็ตามของหรือคนหรือสัตว์ก็ตามนะฮะด้วยความกำหนัดด้วยความขัดเคืองด้วยความโลภเพ่งมองด้วยนะฮะแล้วก็ความรู้สึกอย่างนั้นโดยที่ท่านตับเป็นอบัติราะว่า จ, จิตใจมันขุ่นวัวซศรามองไปได้วยแรงจากด้านของกิเลสทีนี้บางครัง้งบางคราวเกิดความโลภจนถึงกระไป จะต้องลูกคลำสิ่งเหล่านั้นของยังไม่ไหวนะยังตั้งอยู่กระทีนะก็ปรับประ บ, ะบัดถ้าจะต้องจนของมันไหวขเขยื่อนจากที่นิดหน่อยปรับปบัดหนักขึ้นนะถ้าของมนเคลื่อนจากที่วางเดิมท่านปรับเป็นขาดจากพระไปเลยใช่ไหมจึมันเป็นระดับศีลธรรมยัญญาแต่ถ้าเกิดยินดียินรายมากไปเนี่ย แล้วก็สถานะของเรามันไม่ให้แต่ร่างขเราเช่นเช่นชาวบ้านเป็นผู้มีศีลเนี่ยผู้มีศีลห้าหรือมีศีลแปดพระเมนร์ระดับศีลทำจัร ญ, ญาระดับชาวบ้านทั่วไปไม่ถึงก็มีปัญหาเช่นว่าจะต้องด้วยความอยากได้แต่ว่าไม่ถึงก็ไปหยิบฉวยมาเป็นของตัวก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าพระไปทําเดียวกันไม่ได้ ทางนี้ไม่ได้หมายความว่าไปซื้อหาของในตลาดนะแต่ว่าตามปกติค้าเขาไม่เคยไปซื้อกันหรอกคือก็บอกกล่าวให้คนไปหาให้ต้องการอะไรก็บอกให้คนไปหาให้ดีไม่ดีก็ยินดีเท่านั้นนะเพราะเราไม่ได้เห็นใ้ตัวเปรียบเทียบอะไรใครก็ซื้อให้มาเท่าไหร่มันก็เท่านั้นความว่าใจก็ไม่ถึงก็ยินดีไม่ถึงก็ยินรายอะไรมากเกินไปเป็นการ สรุปแล้วว่าเป็นการทําใจให้อยู่ในคันลองของกุศล mm hmm. เพราะว่าอย่าลืมเบ้าเบขานั้นอีกด้านหนึ่งมันเป็นอกติแล้ว้าสุตที่ใกล้ชิดกับเบคขาก็คือยินดียินได้ก็สุตที่ตรงกันข้ามก็คือพวกอกติโดยมุงทำลายจริงๆนะมุ่งทำลายตัวอกติด้วยความลาเอียงดังนั้นเมื่อเราทําใจเป็นกลางได้เนี่ยอาการของความลาเอียงมันก็บรรเทาบาบางลงไป ทำให้ใช้เหตุผลใช้สติปัญญาได้ตามสมควรแก่กรณีกรณีของของเรื่องของอารมณ์คือตามปกติแล้วเนี่ยมันเขาเรียกว่ามีสัตว์ที่ประสบพุทธกรรมเป็นอารมณ์แต่ลองสังเกตนะคือถ้าใจเราไม่ปกติเท่าที่ควรเนี่ยความยินดียินได้มันไปเกิดแก่สิ่งชี่ ใน ม, มีชีวิตตั้งๆ ท, ที่อุเบกขาไมตาโุนาวเบขาที่จริงเป็นธรรมะที่ใช้ในกรณีของสิ่งมีชีวิตเป็นหลักแรืว่าในอภิบั ญ, ญญาในพรมิหารก็ตามแต่ว่าพอมาถึงตรงเนี้ยก็ เ, เรียกว่าตัตรรมะชัดตาเจตสิมันปรากฏว่าทั่วไปคือจะต้องมีความรู้สึกเป็นกลางทั่วไปในอารมณ์ทั้งหลาย จะมีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครองก็าตามซึ่งก็ในภาพของการปฏิบัติจริงๆก็ทําได้ยากแต่เราจะเห็นว่าในชาดกเช่นแบพรหมนาฏชาดกเนี่ยมันเป็นการพูดถึงโพรหมิหารไม่ใช่อุเบกขาพรมมิหารและจะระดับชาด น, นะระดับเป็นอุเบกขาชาดคือพูดพูดอุเบกขาในเชิงผลจึงการใช้งานของอุเบกขาแล้ว ไม่จะพูดถึงภาคของการเจริญแต่เราจะต้องมองทั้งภาคสร้างอุเบกขาให้เกิดขึ้นแล้วรักษาแล้วก็พัฒนาด้วยท่ฟังทั้งหลายพระรุมปรธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามห้บุญในธรรมจุมมีแต่ท่านผู้ฟังทหลายด้วยตัว ก, กันสวัสดี